ธรรมกะกถาว่าด้วยบุคล 8. 8. บคลที่แปดสามร้อยหกสิบปดกบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลที่แปเป็นพระโซดาบันเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโซดาปฏิผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลที่8เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงสัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลที่8ละทิฏฐานุสัยได้แล้วใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉานุสัยศีลปตปาปรามาได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สก บุคคลที่แปดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดละทิฐานุสัยศีลปตะปรามาได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดยังละทิฐานุสัยไม่ได้ใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลที่แดยังละทิฐิปริยุทธานไม่ได้ใช่ไหมปร <ibility> ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แดย <uga> ังละทิฐานุัยไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดยังละวิจิกิจฉาปริยุทธานไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แดยังละวิจิกิจฉานุัยศีลปตะปรามาศไม่ได้ใช่ไหม ปรอใช่สกบุคคลที่แปดยังละทิฏฐิปริยุทธานไม่ได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดยังละสีลัปตะปรามาสไม่ได้ใช่ไหมปรอใช่สกบุคคลที่แปดยังละวิจิกิจฉาปริยุทธานไม่ได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรอหสเก้าสก บุคคลที่8ดละทิฏิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดเจริญมากเพื่อละทิธิปริยุทธานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดละทิธิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานโพชฌงเพื่อละทิฏิปริยุทธานใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธฐานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดเจริญมักเจริญโพ่อชงเพื่อละวิจิกิจฉาปริยุทธ์ฐานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดไม่เจริญมักเพื่อละทิฏฐิปริยุทธ์ฐานใช่ไหมปรใช่สก บุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุดฐานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่มิใช่มักเป็นโลเคียเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปอรอไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลที่แปดไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชงเพื่อละทิฏฐิปริยุดฐานใช่ไหมปอรอใช่สอกอบุคคลที่แดละทิฏฐิปริยุดฐานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มัก เป็นโลคิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดไม่เจริญมัชไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชฌงเพื่อละวิจิกิจฉาปริยุทธานใช่ไหมปอรรใช่สกบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่มิใช่มัชเป็นโลคิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสังขิเลใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสรเจ็ดสิปอรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลที่8รละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมสอกอใช่ปอรทิฏฐิปริยุทธานจะเกิดขึ้นใช่ไหมสอกอจะไม่เกิดขึ้นปอรหากจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า บุคคลที่และทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วปอรอท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลที่แดละวิจิก walking walking walking a, ิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมสกใช่ปอรอวิจิกิจฉาปริยุทธานจะเกิดขึ้นใช่ไหมสกจากไม่เกิดขึ้นปรหากจากไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้ว สกเพระเาะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่ 8, แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าทิฐานุสัยจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่แปดละทิฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจกไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่แปดละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉานุใสศีลพัตะปา a m a จะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉานุัสศีลพัตะป rama ได้แล้วใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั ah? ้นสกเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริร screens, ยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาศีลปตาปรามาศจากไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่แปดละวิจิกิจฉานุสัย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 โคตรภูบุคคลละทิฏิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แปดจึงยอมรับว่าบุคคลที่และวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริยุทธานจะไม่เกิดขึ้นแก่โคตรภูบุคคล จึงยอมรับว่าโคตรภูบุคคลและวิจิกิจชาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัธามกะกถาจบหอัธามกะสะอินทริยกะถาว่าด้วยอินซีของบุคลบคลที่แปดสา้อยเสิบเอกบุคคลที่แปดไม่มีสัจทินซีใช่ไหมปรใช่สก บุคคลที่แปดไม่มีศรัทธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดไม่มีเวริยินทรีไม่มีสตินทรีไม่มีสมาธินทรีไม่มีปัญญินทรีใช like. ่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดไม่มีปัญญาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั <sh arp> <sh arp ้นสกบุคคลที่แปดมีศรัทธาใช่ไหมปรใช่สก บุคคลที่แปดมีสัจทินสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดมีปัญญินสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีมโนมีมนินสีใช่ไหมปรใช่สก บุคคลที่แปดมีศรัทธามีศรัทธินิสัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีมโนมีมนินทรีย์ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดมีปัญญามีปัญญินรียใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสขบุคคลที่แปดมีโสมนัตมีสมมณสินสีมีชีวิตมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลที่แปดมีศรัทธามีสรัทธินิสัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีชีวิตมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดมีวิริยะมีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัจทินรียใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่8มีมโนแต่ไม่มีมนินทรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัจธินซีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่8มีสมณัตแต่ไม่มีสมณสินรียมีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตตินทรีย์ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินสีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดมีมโนแต่ไม่มีมนินสีมีโสมนัตแต่ไม่มีสมนัตินินสีมีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตินรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดไม่มีสัจทินรี์ใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลที่แปดไม่มีศรัทธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดไม่มีวิริยสีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดเป็นผู้เกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดไม่มีสตินสีใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลที่แปเป็นผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปลไม่มีสมาธินสัใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปกเป็นผู้ไม่มีสมาธิมีจิตวันไหวใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปกไม่มีปัญญินิสัยใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลที่แปดเป็นผู้ด้อยปัญญาเป็นผู้โง่ใบ้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลที่แปดมีศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นเหตุนําออกจากทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลที่แปดไม่มีสัจทิน 4. สีสก บุคคลที่แปดมีความเพียรและความเพียรนั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกมีสติและสตินั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกมีสมาธิและสมาธินั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกมีปัญญาและปัญญานั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกใช่ไหมปรใช่สกหาบุคคลที่แปดมีปัญญาและปัญญานั้นเป็นเหตุนาออกจากทุกท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลที่แปดไม่มีปัญญีสีสาร้อยเจ็ดสิบสองสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลมีศรัทธามีสัจทินรีใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลที่แปดมีศรัทธามีสัจทินรียใช่ไหมปอรไอม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล มีปัญญามีปัญญินรีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลที่แปดมีปัญญามีปัญญินสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลมีศรัทธามีสรัทธินสีมีปัญญามีปัญญินสีใช่ไหมปรใช่สก บุคคลที่แปดมีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีศรัทธาแต่ไม่มีสัททินทรีย์ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลมีศรัทธาแต่ไม่มีสัททินทรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แปดมีศรัทธาแต่ไม่มีสัทธินสีมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินรีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลอรหัตผล มีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลที่แดไม่มีอินทรีย์ห้าใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิสษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินสีสองวิรีินสีสามสัตตินสีสสมาถินสี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 ผู้ใดไม่มีอินสีห้าประการนี้โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกบุคคลที่แปดเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกดังนั้นบุคคลที่แปดจึงมีอินสีห้า อัตมกัสอินทริยะกระถาจบเจ็ดที่พระจักผูกกถาว่าด้วยทิพยจักสุส7 3อเจสิบสสอกอมักะจักสุตาเนื้อที่ทำอุปธรรมแล้ว เป็นทิพยะจักสุตาทิกได้ใช่ไหมปรใช่สกมังสะจักสุคือทิพยะจักสุทิพยะจักสุก็คือมังสะจักสุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะจักสุได้ใช่ไหมปรใช่สกมังสะจักสุมีสภาพอย่างไรทิพยะจักสุก็มีสภาพอย่างนั้น ทิพยะจักสุมีสภาพอย่างไรมังสะจักสุก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะจักสุที่ทําอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะจักสุได้ใช่ไหมปรใช่สกมังสะจักสุกับทิพยะจักสุเป็นอันเดียวกันทิพยะจักสุกับมังสะจักสุก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกมังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะจักสุได้ใช่ไหมปรใช่สกวิสัยอนุภาพโคจรของมังสะจักสุมีสภาพอย่างไรวิสัยอนุภาพโคจรของทิพยะจักสุก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะจักสุได้ใช่ไหม ปรใช่สกมั่ะจักจสุเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมั่ะจักจสุเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหม ปรใช่สกมังสะจักสุเป็นกางบาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะจักสุเป็นกางบาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรใช่สกมังสะจักสุเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก มืงสะจักรสุเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปอรอใช่สกเมืงสะจักรสุเป็นสภาวธรรมที่นับนหนึ่งในวตัตทุกข์แล้วเป็นสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวตัตทุกข์ได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยเจ็ดสิบสี่สกเมืงสะจักรสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยยาะจาักรสุได้ใช่ไหมปอรอใช่ สกทิพยยะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นมังสะจักสุได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพะยะจักสุได้ใช่ไหมปรใช่สกทิพะยะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นปัญญาจักสุตา ป, ตปัญญาได้ใช่ไหม whirring? ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก มังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะจักสุได้ใช่ไหมปรใช่สกทิพยะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นปัญญาจักสุได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะจักสุที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะจักสุได้ใช่ไหมปรใช่สกจักสุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จ, จักสุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรใช่สกจักสุพระผู้มีประภาคตรัสว่ามีสามอย่างคือมังสะจักสุทิพยาจักสุและปัญญาจักสุมิใช่หรือปรใช่สกหากจักสุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสามอย่างคือหนึ่งมังสะจักสุสอง ท, ท, ทิพยาจักสุ สามปัญญาจากสุท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจากสุมีสองอย่างเท่านั้นสกจากสุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมปอรอใช่สกพระสุที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายจากสุนี้มีสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งมังสะจากสุสองที่พยะจากสุสามปัญญาจากสุจากสุมีสามอย่างนี้แหละ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษได้ตรัจจสุสามอย่างคือมังสะจักสุทิพยาจักสุและปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยมความเกิดขึ้นแห่งมังสะจักสุเป็นทางแห่งทิพยาจักสุเมื่อใดย่านคือปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อนั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้เพราะได้ปัญญาจักสุมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่ สกดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจากสุมีสองอย่างเท่านั้นที่ประจักขุคถาจบ 8. ปที่ปโสตกระถาว่าด้วยทิพะยะโสตสามร้อยเจ็สิบห้าสอกอมืางสัโสตที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพะยะโสตได้ใช่ไหมปรใช่สก มังสะโสตะคือทิพยาโสตะทิพยโสตะก็คือมังสะโสตะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอมังสะโสตะที่ทำอุปถัมแล้วเป็นทิพยาโสตะได้ใช่ไหมปอรอใช่สกอมังสะโสตะมีสภาพอย่างไรทิพยาโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นทิพยาโสตะมีสภาพอย่างไรมังสะโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะโสตะที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรใช่สกมังสะโสตะกับทิพยโสตะเป็นอันเดียวกันทิพยโสตะกับมังสะโสตะก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะโสตะที่ทำอุปธรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหม ปรใช่สกวิสัยอนุภาพโคจรของมังสะโสตมีสภาพอย่างไรวิสัยอนุภาพโคจรของทิพยโสตก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะโสตที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตได้ใช่ไหมปรใช่สก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 มังสะโสตะเป็นกลามวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมั่งสะโสตะเป็นกลามวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรใช่สกมั่งสะโสตะเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมั่งสะโสตะเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหม ปรใช่สกมังสะโสตะเป็นสภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตทุกข์และเป็นสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยเจ็ดสิบหกสกมังสะโสตะที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรใช่สก ทิพยโสตะที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นมังสะโสตะได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมังสะโสตะที่ทำอุปธรรมแล้วเป็นทิพยะโสตะได้ใช่ไหมปรใช่สกโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมปรใช่สก โสตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสองอย่างคือมังสะโสตะและทิพยโสตะไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากโสตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสองอย่างคือมังสะโสตะและทิพยโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นทิพโสตกถาจบ กัมมูปะคตญ า, านกถาว่าด้วยยัถากัมมูปะคตายานสาม้็ดสิบกยัถากัมมูปะคตญ า, านเป็นทิพยจักสุใช่ไหมปรใช่สกบุคคลมนสิตการถึงสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจักสุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลมนสษยการถึงสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจักรสูใช่ไหมปรใช่สอกอเนียการประชุมแห่งภัษา ส, สองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอยะถากรรมูปะคตญาณเป็นทิพยจักรสูใช่ไหมปรใช่สอกอบุคคลมนสิยการว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอ มนัสสิการาว่าประกอบกายทุจริตมนัสิกานว่าประกอบวจีทุจริตมนัสิกานว่าประกอบมนุษทุจริตมนัสิกานว่าเป็นผู้กล่าวร้ายพระอริยะมนัสสิกานว่ามีความเห็นผิดมนัสิกานว่าชักช่วยผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดและมนัสิกานว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรก บุคคลมนัสิการว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้มนัสิการว่าประกอบกายสุจริตมนัสิการว่าประกอบเวจีสุจริตมนัสิการว่าประกอบมนุสุจริตมนัสิการว่าไม่กล่าวร้ายพระอริยะมนัสิการว่ามีความเห็นชอบมนัสิการว่าชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบและมนัสิการว่าหลังจากตายแล้ว สัตว์เหล่านั้นก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เห็นรูปด้วยที่พยะจากสุใช่ไหมปาราไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลมนุษการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เห็นรูปได้ด้วยทิพยะจากสุใช่ไหมปา ร, าใรใช่สกมีการประชุมแห่งภาษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปาราไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สามร้อยสกเถากรรมโมปะคตะยานเป็นทิพยะจักสุใช่ไหมปรใช่สกบางคนไม่มีทิพยะจักสุไม่ได้ไม่บรรลุ לש, ไม่ได้ทําให้แจ้งทิพยะจักสุแต่รู้ว่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกหากบางคนไม่มีทิพยะจักสุไม่ได้ไม่บรรลุไม่ทําให้แจ้งทิพยะจักสุ แต่รู้ว่าสัตผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายะถากรรมูปคตญาณเป็นทิพยะจักสุสกยะถากรรมูปะคตญาณเป็นทิพยยจักสุใช่ไหมปรใช่สกท่านพระสารีบุตรรู้ยะถากรรมูปะคตญาณใช่ไหมปรใช่สกหากท่านพระสารีบุตรรู้ยะถากรรมูปคตญาณ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายะถากรรมูปะคตญาณเป็นทิพยจักสุสกยะถากรรมูรปะคตญาณเป็นทิพยจักสุใช่ไหมปรอใช่สกท่านพระสารีบุตรรู้ยะถากรรมูปะคตะญาณใช่ไหมปรอใช่สกท่านพระสารีบุตรมีทิพยจักสุใช่ไหมปรอไม่ควสสรกล่าวอย่างนั้นสก ท่านพระสารีบุตรมีทิพยจักสุใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อปลุกเพนิวาสยานทิพจักขุยานเจโตปริยญาณหิทิวิทยานทิปสตุตญาณและจุตูปปาฏยาณมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สก ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ายถากรร ม, มูปาคตญาณเป็นทิพยจักสุยถากรร ม, มูปะคตญาณปรถ า, าจบสิ 10. สังวรกรถาว่าด้วยความสำรวมสามร้อยเจ็สิบเก้าความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกความไม่สำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่สำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกความสำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดามิใช่หรือปรใช่สก ความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนี้ค่ะดังต่อไปนี้หากความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลและความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีล ความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศรรีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาคำนั้นของท่านจึงผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่า ความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีล ความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาคำนั้นของท่านจึงผิดสกความสำรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์ความไม่สำรวมก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรใช่สกความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาความไม่สำรวมก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดา แต่ความไม่สัมรวมไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรใช่สกความสัมรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่ความไม่สัมรวมไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยแปดสิบสกการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการงดเว้นจากการเสดจของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก การฆ่าสัตว์มไม่มีในหมู่เทวดาวใช่ไหมปรใช่สกการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเสพของเหม็นเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกการงดเว้นจากการเสพของเหม็นเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการวดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่มนุษย์การฆ่าสัตว์ก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์ใช่ไหมปรใช่สกการวดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาการฆ่าสัตว์ก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 และการเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทก็มีอย e. ู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาแต่การฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรใช่สกการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่การฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการงดเว้นจากการเสพของหมือนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่การเสพของเหมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรใช่สกการงดเว้นจากการเสพของหมือนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่การเสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอความสํารวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมสกใช่ปอรอเทวดาทั้งปวงเป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกวามพูดเท็จ เสพบของเหมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอดังนั้นความสำรวมจึงมีอยู่ในหมู่เทวดาสังวระกะถาจบ สิอสัญญกถาว่าด้วยอสัญญาสัตว์สาร้อแปดสิบเอ็ดสกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกพบแ่งอสัญญาสัตว์เป็นพบที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสตารวาที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกําเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพบแผงอสัญญาสัตว์เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตว์ตาว่าที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพบแผงอสัญญาสัตว์เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญา เป็นจัตตาวาดที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกพบแ่งอสัญญาสัตว์เป็นพบที่มีขันห้าเป็นคติเป็นจัตตาวาเป็นสงสารเป็นกาเนิด เป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพบแผงอสัญญาสัตว์เป็นพบที่มีขันห้าเป็นคติเป็นจัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งไม่ใช่หรือปรใช่สกห้าพบแผงอสัญญาสัตว์เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นจัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกําเนิด เป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรใช่สอก อ, อสัญญาสัตว์ทำกิจที่ควรทําด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น382สิบอสกสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์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 เป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกําเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีขันห้าเป็นคตเนาาิเป็นสัตว์ตาว่าเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมปรใช่สกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ และภพแ่งอสัญญาษนั้นเป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นสัตวาวาสเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์มนุษย์ทำขีดที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปอรอใช่สกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาษ อสัญญาสัตว์ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และพบแห่งอสัญญาสัตว์นั้นว่าเป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตวาว่าที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นผลได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรใช่ สกสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และพบแ่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นสัตว์ตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรใช่สก สัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์แต่อสัญญาสัตว์ไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปอรอใช่สกสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ แต่มนุษย์ไม่ทำคิดที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส8 3ปสารท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมีเทพชื่ออสัญญาสัตว์จุติเคลื่อนจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้น มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกใช่ปอรอดังนั้นสัญญาจึงมีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกสัญญามีอยู่ในห ม, feast, ม, นห ม, มู่อสัญญาสัต์ใช่ไหมปรบางคราวมีบางคราวไม่มีสกอสัญญาสัตว์บางคราวเป็นสัญญาสัตว์บางคราวเป็นอสัญญาสัตว์ภพแห่งอสัญญาสัตว์บางคราวเป็นภพที่มีสัญญาบางคราวเป็นภพที่ไม่มีสัญญา บางคราวเป็นภพที่มีขันห้าบางคราวเป็นภพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบางคราวสัญญามีในหมู่อสัญญาสัตว์บางคราวไม่มีใช่ไหมปรใช่สกคราวไหนมีคราวไหนไม่มีปรในจุดเหตุการในปฏิสนธิการมีแต่ในถิฏิการประวัติการไม่มีสก อสัญยาสัตว์ในจุติดการในปฏิสนธิการเป็นสัญญาสัตว์ในทิฏฐิการเป็นอสัญญาสัตว์ในจุติดการในปฏิสนธิการเป็นพบที่มีสัญญาในทิฏฐิการเป็นพบที่ไม่มีสัญญาในจุติดการในปฏิสนธิการเป็นพบที่มีขันห้าในทิฏฐิการเป็นพบที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอสัญญาคถาจบ สเนวสัญญานาสัญญายตนะกถาว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะ 384. อส่อกในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมบอรใช่สกเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญา เป็นสัตวา่าที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม erm ่มีสัญญาเป็นกาเนิดที่ cort, ไม่มี lik like สัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเนวะสัญญานาสัญญายตนะพเป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตว่า ật, ที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกาเนิดที่ไ <something> ม <unusual iction> ่ม <towers> ีสัญญา เป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากเป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเขาพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่สกในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหม ปรใช่สกเนวสัญญาณสัญญายาตนะพบเป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพบนั้นเป็นพบเป็นค ต, ต, ติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันสี่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากเป็นพบเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันสี่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายาตนะพบพราพระเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ส8 5ดสบห้าสกในมูอสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบแห่งอสัญญาสัตว์นั้นเป็นพบที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตว์ตาว่าที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกาเนิดที่ไม่มีสัญญา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 ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นพบที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปอรอใช่สกในเนวสัญญานาสัญญาอาตนะพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และในเนวสัญญานาสัญ ญ, ญาญาตนะพ ก็เป็นภพที่มีขันหนึ่งเป็นคติเป็นสัตวว่าดเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหนึ่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเนวสัญญานาสัญญายาตนณะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญาสัตว์ตนั้นก็เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรใช่ สกในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพนั้นก็เป็นภพเป็นคติ เป็นการได้อัตภาพที่มีขันศีใช่ไหมปรใช่สกในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และพบแ่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นพบเป็นการได้อัตภาพที่มีขันศีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเนวสัญญาน า, นาสัญญายาตนะพบท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกเนวสัญญานาสัญญายตนะพเป็นพบที่มีขันศีไม่ใช่หรือปรใช่สกหากเนวสัญญานาสัญญายตนะพเป็นพบที่มีขันศีท่านก็มีควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่สามสกสกเนวสัญญานาสัญญายตนะพบ เป็นภพที่มีขันสี่ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญาณาสัญญายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกาอากาสานัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันสี่ท่านไม่ยอมรับว่าในอากาสา น, านัญจายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเนวสัญญาณาสัญญายาตนะภพ เป็นภพที่มีขันศีท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณัญจยายตนะภพอาคินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันศีแต่ท่านไม่ยอมรับว่าในอาคินจัญญายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อากาสา um pues mm น nah ัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณัญจายตนะภพอากินัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ ในพบนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกในเนวสัญญานาสัญญายตนะพเป็นพบที่มีขันศีในพบนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเนวสัญญานาสัญญายตนะพท่านไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมปรใช่สก เนวสัญญาณาสัญญายาตนะภพเป็นภพที่มีขันศีไม่ใช่หรือปรใช่สกหากเนวสัญญาณาสัญญายาตนะภพเป็นภพที่มีขันศีท่านไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายาตนะภพเขาพระเจ้าไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สกเนวสัญญาณาสัญญายาตนะภพเป็นภพที่มีขันศี ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพสัญญามีและไม่มีใช่ไหมปรใช่สอก อ, อากาสานัญจายตนะภพวิญญาณัญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันศีรท่านไม่ยอมรับว่าในอากินจัญญายตนะภพมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกอากาสานัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้น wow. สัญญามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ ในพบนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สอกใอนว่ญญ า, นาสัญญาณาสัญญาญาตนะพบเป็นพบที่มีขันสีในพบนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรในในวสัญญานาสัญญายตนะพบท่านไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมสอกอใช่ป ร, ร เนวสัญญานาสัญญายาตนะภพมีอยู่มิใช่หรือสอกอใช่ปรหากเนวสัญญานาสัญญายาตนะภพมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายาตนะภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะภพมีอยู่ จึงไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมป ร, รใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าอธทุคขมสุขเวทนามีอยู่จึงไม่ยอมรับว่ามีเวทนาก็ใช่ไม่มีเวทนาก็ใช่ใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเนวะสัญญาณาสัญญายตนะกถาจบตติยวัคจบ รวมคาถาที่มีในวรรมนี้คือ 1. พละคาถาอริยันติคาถา 3. วิมุตติคาถา 4. วิมุตเจมานกคาถาอธรรมกะคาถา 6. อธรรมกสักอินทริยะคาถาเที่ประจักขุคาถา 8. ที่ประสูตะคาถา 9. ยะถากรรมูปะคตยานกคาถาสสังวระคถา สิบเอ็ดอาสัญญาถาสิบสองเนวสัญญานาสัญญายตนะกถา